ลาตัวนั้นก็จับใจออว่าทําไมเสียงมันเสียงแหลมนะักเสียงเพลาะยาลาโง่ก็เลยถามจิงดีธว่าทําไมแก่จึงเสียงดีขนาดนี้อจิงฤทธิก็ตอบกับลาโง่ว่าข้าไปเจ้ากินแต่น้ําค้างถ้าหากว่าเสียงอท่านจะให้เสียงดีกับเหมือนข้าไปเจ้าท่านคง ท่านควรจะกินน้ำค้างเสียงท่านจะดีเองเหมือนลางโง่ตัว น, นั้นก็เลยไม่กินหญ้าไม่กินน้ำกินแต่น้ำค้างเลียกินแต่น้ำค้างในแม่ช้าละในไม่ช้าลางโง่ตรง น, นั้นก็เลยตายใช่ไหมับนแหลสรุปแล้วก็คือคนอยู่ในสถานะจิงริคือสถานะลาเนะี่ยลางโง่ เ, ออเวลามันลามเสียงมันล้อมันดัง อ, ออกเสียงจิ้งดีดมันล้อดังชิ๊วเปเสีย ง, เ ส, ยงเสียงแหลมอไรลางโงก อ, อะไรอยากจะได้เสียงแหลมเหมือนกับจิ้งดีดนี่แหละเป็นชาดกเป็นนิทานเตือนพวกเราทั้งหมดเราอยู่ในสถานะไหนควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามสาทนะสถานะนั้นนั้นวันนี้เป็นวันที่หก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 เผ อ, อเผลอเวลามันเผลอนะมันจะแผลมออกมาเออมันจะแผลมออกมาทางกายก่การกระทำก็ผิดเพี้ยนไปไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมตามกฎหมายบ้านเมืองเวลาพูดออกไปก็พูดผิดพูดไม่ถูกต้องออตามขนบธรรมเนียมหรือตามกฎหมายบ้านเมืองเพราะอะไรเพราะใจของเรา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 นกหงส์นกหงส์สองพี่น้องไปกินอาหารอยู่ดิไปหากินอาหารอยู่ในอในหนองน้ําตีนเขาป่าหิมะผานไปกินมเมล็ดยาบางไปกินอะไรตามนั่นน่ะตามภาษาหงหากินทีนี้ไปเห็นเต่าทุกวันทุกวันไปเห็นเธอได้ก็คุยกันกับเตา่าเอเต่าก็เห็นหงส์เห็นเต่าไปด้วยกันหงส์ก็เลยคุยว่าไอ้เตา่า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 นกหงส์องตัวก็ขคาบปตาไปส้นไม้ทั้งสองข้างบินขึ้นดูบิ น, นดูโอ้ได้ไปได้วะเอาละนะที่นี่นะงั้นอย่าไปพูดจะไปอะไรนะเต่าเออจากนั้นเต่าก็คาบไม้ตรงกลางนกหงส์ ก, ก็ บ, บินขึ้นแล้วพอบินบินบินบินไปพอไปผ่านกรุงพาราณสีใช่ไหพลกรุงพารานสีมันคนเยอะใช่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 ก็มันเต่าอยู่ตรงกลางใช่ไหมล่ะเออนกหงหงมันอยู่สองข้างไนงะไอเต่านี่ก็บอกว่าออื <c oughs> เด็กมันพูดไม่ถูกไนงะเต่าหามหงมันจึงจะถูกมันจะว่าหงไอเต่าหาหงได้ยังไงเออพอว่าแต่านัเต่าก็เลยจะดดาเด็กน้อยอยู่ข้างล่างเลยโศพูดไปทูกเออตรงหงหามเต่ามันจึงจะถูก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 ว่าจะพาทีอะไรให้รู้จักกาลเทศาการสถานที่บุคคลถ้าเราไม่พูดไม่รู้จักกาลเทศากาันสถานที่บุคคลแล้วติดคุกได้นะปรับไหมใส่โทษได้อีกติดคุกได้อีกเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักการสถานที่บุคคลนี่แหละอันนี้ก็คืออันหนึ่งนะ เ, เครเข้ามาให้รู้จักในการวางตัวการคําพูด อ, อ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งถิ่นหลวงพ่อจะเล่าเป็นเรื่องนิทานให้ฟังชาดกดเรื่องนิทานให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังถ้าว่าพูดไปธรรมดานะ่ลูกหลานจำจายากจำไม่ค่อยได้เพราะนั้นหลวงพ่อจึงพูดเป็นเรื่องรลา่าให้ฟังพ่อพูดเป็นเรื่องรล่าลูกหลานก็จำได้หลวงพ่อนี่สอนให้ลูกหลานได้คิดนะจาได้ อ, อมีนิทานเรื่องหนึ่งนิทานประเทศพมา่านะไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ย เ, เขาพูดมาหลวงพ่อกระจำเขามากเป็นคติเพื่อจะแนะนําสั่งสอนลูกหลานอีกเหมือนกันนะนะ อ, อพอหลวงพ่อได้ยินอะไรมาหลวงพ่อจะถ่ายทอดนะพยายามถ่ายทอดให้พระเนนลูกหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังเ อ, อที่จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าควรปฏิบัติตนอย่างไรมันจึงจะถูกต้องฮะเออ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 พระราชาก็ไว้ใจอไปด้วยกันสอดแนมออะไปบ้านนั้นบังบ้านนี้บังหลังเคิรนหลังเวลาคนเขากินเหล้าเมายากเวลาคนร่มคนตายมีการมีงานอาเข้าไปแทรกกับเขาใครๆบอกเขาไม่รู้จักเลยคือพระราชาอาปลอมตัวไปอพระนริศกับพระราชาเดินทางกันเหนื่อยใช่ไล่ะอพราะงันคือหนึกลับมาไปเห็นยายแก่คนหนึ่ง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 เป็นไม้ประดุลเป็นโพรงเนี่ยเป็นโพรงตรงกลางตรงกลางไม้ประดุลเป็นเป็นโพรงอกงไม่มีใครนะมองไม่มีเห็นใครเอาละระบายเท็่ตรงนี้แหละคงจะไม่มีใครเห็นเขาก็เลยพูดลงไปพยากินล่ําพยากินล่ําพยากินล่านะพูดในโพรงไม้ประดูลว่าไงเด็กนนะพอพูดไปพูดเท่านนะั้นพูดเสียงดงัดงๆระบายออกนะนะั่นสบายใจ <c oughs> นั่นแหละ คนถ้าไม่ระบายมันทุกมันอัดอั้นตนใจเลยพวกเราท่านทั้งหลายมีไหมแล้วมิได้ยินความลับอะไรมาเลยยากจะพูดตัวนันเละเนี่ยไอผัวนิูกนูก็เลยออกมาทกลับมาบ้านเออสบายใจแล้วทนี่ได้ระบายออกไปแล้วต่อมาที่นี่กองภัยลีของพระเจ้าแผ่นดินแตกป่ะเนี่อพระเจ้าแผ่นดินแตกพวกปะสมนิกรพวกพราหมณ์ทั้งหลายเขาก็เ น, นี่ยไอก็ไปหาต้นไม้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 พญาก็เดยโยนกองทิ้งโยนค้อนทิ้งเลยเดินหนีเลยเอ๊ะมันทำไมวะกองตัวนี้นะมันทำไมบ๊วยบอกเพราะพยากินหลํามเอมันเรื่องอะไรวะจากนั้นพระพลาชาก็เลยเดินออกไปแต่เรื่องราวต่อไปเขาก็ไม่พูดนะว่าพญาจะสืบสอบเอามาหาดเล็กคนนั้นหรือเปล่ามันทำยังไงกองตัวนี้มันจริง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 มันพูดเพื่ออะไรนี่แหละมหาเล็กคนนั้นกลุกมหลวงพ่อวัน้าตาหนิแต่พระรายชาหลวงพ่อกะตาหนิ่อีกเหมือนกันที่มหาเล็กพูดกระโโกนะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องให้รู้จักการเทษะการจะทำอะไรการจะพูดอะไรการจะวางตัวอย่างไรมันต้องดูถ้าเราวางตัวไม่ถูกทำไม่ถูกทาให้ลูกน้องของเรา เ, เอาไปพูดไปกล่าวเสียหายเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้ใหญ่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 อันนี้ก็ น, น่าตานี่พราชากินลำ่ำไม่รู้จักกาละการสถานที่นะ่ะมีแต่ความอยากความหิวหิวอยากแตก่ควรจะห้ามเพราะมันไม่ถกูกกินในที่ไม่ถูกจะกินไปทาไม อ, าอย่างพวกเราทั้งหลายนะ่ไปกินเหล้าเมาย า, เ, าเป็นผู้ใหญ่แล้วไปกินเหล้าเมายาเมาเปซ้ายเปขวานะลูกน้องดูถูกได้นะ่ะให้ระมัดระวังอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราไปกินอย่างนั้นมันไม่ถกูก แล้วาการที่จะครับกระทําชิ่งไหนก็ตามเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาต้องระมัดระวังในการวางตัวมันจึงจะทุกถ้าไม่รู้จักวางตัวอย่างนั้นเหมือนพระราชาขนาจอยู่ในกองกองก็จะเตะ ต, ตุ่งๆุ่งทั้งที่จึงตุ่งก็จะว่าพยากรินลำพยากินลอจ น, นโยนค้อนกลองทิ้งคงจะกองตัวนั้นก็คงจะทบทิ้งเฉลิมะัหลวงพ่อวานนี่หละ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 เพื่อเป็นกติตัวอย่างของลูกของหลานจะทายาทโจมพันเอนทุกหลานต่อในไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร